ลาบอันประเสริฐของเราทุกคนผู่บวชเข้ามาใหม่ก็ดีเก่าก็ดีก็ได้ชื่อว่าเป็นลาบอันดีที่เราได้เข้ามาบวชเพราะการบวชนี่มันแสนยากเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นบนภูเขา ร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินปรารถนาร้อนกลับได้เย็นปรารถนาเย็นกลับได้ร้อนอันนี้เป็นชีวิตของนักบวชให้เข้าใจเราปรารถนาให้ได้เร็วๆดังใจอย่างนี้นะมันไม่ได้เพราะชีวิตของเรามันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่น บางทีเราปรารถนาเย็นเย็นเมือนกับได้ร้อนหมายความว่าเราต้องการจัดดำเนินการงานเวลานั้นอย่างนี้นะแต่เหตุการณ์มันไม่อำนวยมันต้องให้ทำเร็วๆกว่านั้นอันนี้ชีวิตของนักบวดถึงว่าเราจะเอาตามชอบใจไม่ได้ต้องให้เข้าใจ ก็ให้นึกเสมอว่าชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วยคนอื่นเราไม่ได้สแสวงหาเรื่องจีบโดยลำพังตนเองเลยอย่างนี้วันนี้คดีที่มันเกิดต่อนักบวชที่อาศัยเป็นอยู่กับชาวบ้านกับผู้มีศรัทธาทั้งหลายนั่น มันก็ได้แก่นักบวชนี่เป็นผู้ไม่มีกิจกังวลห่วงใยกิจการงานการอาชีพต่างๆไม่มีแล้วก็ไม่ได้แข่งขันประชนันหน้ากับใครเรื่องค่าหาเงินหาทองการค้าการขายเพราะฉะนั้นพระนี่จึงอยู่อย่างสงบ ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูนี่พ้นดีที่เราละพักทิ้นเงินทองบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องออกมาบวชมาถวายชีวิตต่อพระคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราพึ่งพระคุณทั้งสามนี่เป็นอยู่ นี่แหละให้พากันเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องทำใจให้หนักแน่นเป็นนักบวชนี่นะอย่าทำใจให้ร้อนและอ่อนแอใครพูดอะไรมาไม่ถูก อ, อกถูกใจก็ชุนเฉียวขึ้นในใจเสียอย่างนี้ไม่ใช่วิถีทางของนักบวช นักบวชนี้ต้องเป็นผู้มีความอดทนเป็นพื้นฐานของ จ, จิตใจไม่รู้อำนาจแก่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมีความอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีต่อความกระทบกระทั่งต่างๆนี่ชีวิตของนักบวชนะขอให้เข้าใจหมายาหมายอานักบวชที่ดีที่จะเป็นเนื้อนาบุญของ ชาวโลกได้เมธีก็เหมือนกันก็ต้องทําใจให้หนักแน่นแล้วหาทางปองรองกันสามัคคีกันให้ได้พยายามพูดจาปลาไซให้เป็นที่ชื่นอกชื่นใจต่อกันและกันให้เราอยู่ร่วมกันเอโดยเฉพาะเมธีก็หมายความว่าที่อยู่มันก็จํากัด แค่นั้นแล้วก็มักจะอยู่กันซุมๆไปก็มีก็ต้องระมัดระวังกันอยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันก็ต้องระมัดระวังอกิริยาทางกายกิริยาคำพูดทางวาจาอย่าให้กระทบกระทั่งกันเรื่องนี้มันก็ต้องรู้สำรวมใจนั่นแหละ ห้ามใจได้แล้วก็ได้เท่านั้นเองนะถ้าห้ามใจไม่ได้มันก็ไม่ได้ดังนั้นทุกคนยังห้ตามรักษาจิตของตนเสมอเสมอไปอย่าไปเผลอเลอนเลอะถ้าเผลอแล้วมันได้เรื่องแหละมันเป็นยงั้นพูกบวชเข้ามาใหม่ก็ดีอย่าไปลุกอำนาจแกโมโหโทโส ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนผู้บวชมา ก, ก่อนอย่าไปยกตนเทียมท่านต้องให้เข้าใจให้รู้จักฐานะของตนเพราะผู้บวชเข้ามาแล้วเนี่ยต้องได้ถือตามพระวินยัยจะเป็นคนตระกูลทูงคนตระกูลต่ำคนมั่งมีหรือคนอยากจน อะไรมาบวชแล้วหรือคนอายุมากอายุน้อยก็ดีต้องเถอเอาตามผู้บวชก่อนบวชหลังเป็นประมาณผู้ผู้ผู้ใดบวชก่อนแม้จะมีอายุน้อยแต่ผู้บวชที่หลังอายุมากมันก็ต้องเคารพต่อผู้บวชก่อนบวชก่อนกันนาทีชั่วโมงอย่างนี้นะักเรียกว่าบวชก่อน ให้เข้าใจไม่ได้หมายเอาวันเอาคืนเอาเดือนเอาปีนะหมายเอาชั่วโมงนาทีเพราะฉะนั้นการบวชเพื่อนจะได้บันทึกเวลาบวชจบลงว่าบวชจบลงเวลาเท่าไหร่จึงได้บันทึกไว้นั่นแหละทีนี้สมมติเราบวชกันสามรูปด้วยกันก็จบลงพร้อมกันแหละ แต่ว่าถือเอาผู้ที่มีอายุมากนั่นเป็นอาวุโสวั น, นี้นะนผู้ที่นั่งข้างขวาของอุปชานั่นเป็นผู้อาวุโสกว่าสองรูปนั้นส่วนรูปที่สามก็ต้องนับถือเคารพต่อรูปที่สองกับรูปที่หนึ่งฐานว่า เพื่อนอายุมากกลัวอย่างนี้นะอายุมากกวัวธรรมดาแหละผู้ที่เข้ามาบวชทีแรกเพื่อนแต่ว่าแต่ผู้ที่เพื่อนบวชก่อนมาได้เดือนสองเดือนแล้วหรือได้ปีมาแล้วอย่างนี้นะไอ้ผู้ผู้เพื่อนบวชก่อนมางั้นนะแต่มีอายุน้อยกลัวผู้บวชทีหลัง มาอย่างนี้ผู้บวชทีหลังที่อายุมากกว่าก็ต้องได้เคารพท่านกล่าวในในวินัยนั้นว่าถ้าอายุพัรษาต่ำกว่ากันเพียงพันษาหนึ่งสองพันษาสามพรรษานี่เพียงยกมือไหว้เท่านี้ก็ได้ ừ. แต่ถ้า พันาผู้นั้นแก่กว่า 4, สี่พันษาขึ้นไป5้าพรรษาขึ้นไปแล้วพอสมควรกราบก็กราบลงในสถานที่ควรกราบก็กราบในสถานที่ควรยกมือไหว้ก็ยกมือไหว้แต่ทุกวันนี้เพื่อนก็เลยไม่ไม่ถือตามวินัยนั้นทั้งหมดหรอก แม้จะมีพรรษาแก่กั่วกันพรรษาหนึ่ง mm. ก็กราบกันไหวกันไปอย่างนั้นแหละดีเป็นความดีเป็นการลดละทิฐิมานะลงนี่นะให้เข้าใจนะมันมีความหมายทั้งนั้นนี่การที่เราเคารพซึ่งกันและกันนี่นะเป็นการลดละทิฐิมานะลงนี่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะ ถ้าหากว่าพระองค์ไม่วางระเบียบไว้อย่างนั้นนะคนผู้ที่เคยแข็งกระด้างกระเดืองมาแต่ก่อนเช่นนี้ก็จะไม่ค่อยลงร่องลงรอยไม่ค่อยเคารพยำเกรงผู้มีผู้บวชก่อนอย่างนี้ก็จะอ้างว่าตนนั้ น, นมีอายุมากแล้ว จะไปกราบไปไหว้ผู้มีอายุน้อยกว่านี่มันกระไรอยู่ว่า อ, อย่างนี้ในวินัยพระองค์เจ้าทรงไม่ให้ถือให้ผู้มีอายุมากอายุน้อยให้ถือเอาบวชก่อนบวชหลังกันเป็นประมาณดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่นแหละทุกคนให้เข้าใจคำว่าเคารพนั่นก็หมายความว่า เมื่อผู้บวชก่อนนั่นเขาแนะนำตักเตือนอย่างไรเราอย่าไปเถียงอย่าไปโต้ตอบเราก็ต้องฟังแต่ถ้าหากว่าเพื่อนตักเตือนมาโดยไม่เป็นธรรมเป็นวินัยเราก็จึงค่อยอูทอนขึ้นต่อภายหลังอูทอนต่อครูว่าอาจารย์ผู้เหนือกว่าท่านองค์นั้นได้พูด อย่างนั้นอย่างนี้กับผมนะผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวิในขอท่านในตักเตือนด้วยอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปพูดกันต่อหน้ากันสองต่อสองมันจะไม่ลงกัน <S <S คนมีสิทธิมาน่าจัดเนี่ยดนั้นเราต้องไปขอร้องให้ท่านผู้มีผู้เป็นประมุข ป, ประธานก็เป็นหัวหน้า ช่วยตักเตือนให้อย่างนี้ถ้าเป็นผู้หัวหน้าตักเตือนแล้วยังไม่ฟังยังดื้อดึงอยู่เงี้ยมันก็ต้องลงโทษกันตามวินยนตามวิันในสังฆาธิเศสน่ะในข้อสิบสองพิกษุว่ายากสอนอยากพิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้น ถ้าไม่ละต้องสังขาริเศษอย่างนี้นเช่นทิกสุรูปหนึ่งไปเห็นทิกสุรูปหนึ่งต้องอาบัตล่วงอาบัตอยู่นี่นะจะเพื่อนเตือนเอ้าคุณทําไมล่วงอาบัตล่องทางโน่งก็ตอบว่าโอ้ยท่านไม่ใช่อาจารย์ของผมนะท่านไม่ควรจะมาพูดกับผมหรอกมาตักเตือนหรอกผมผิดก็ผมผิดเอง นี่เรียกว่าลักษณะของบุคคลผู้ถือสติมานะเดี๋ยวไม่ยอมจนต้องอาบัตก็ไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัตอย่างนี้ถ้าหลายเรื่องเข้าไปก็ถือว่าเป็นพิกจุว่ายากสอนอยากแล้ววันนี้นะก็ปรับอาบัตสังคาที่เสร็จได้นี่นะให้พากันเข้าใจ ม, มันต้องได้อยู่กรรม ถึงจะพ้นได้อืม น, นี่พี่นัยเหล่านี้ให้พากันศึกษาให้มั่งมากให้อ่านตำราดูตำราเพราะตำรามีอยู่แล้วขี้เกียจขี้คลานดูแล้วมันก็ไม่รู้แหละมันก็ไม่รู้มันเป็นงั้นอย่าไปขี้เกียจขี้คลานถ้าไปขี้คลานบวกเข้ามาแล้วขี้คลานเ อ, อ้าถ้าศึกออกไปมันกับคนเกียจคลาน กระพึงตัวเองไม่ได้ชีวิตกระตกต่ำแล้วอืถ้าบวชเข้ามาแล้วเป็นคนฝึกตนให้มันให้ขยันไม่เกียจคร้านในข้อวัดปฏิบัติในการศึกษาเล่าเรียนเช่นนี้แล้วถ้าอยู่ไม่ได้สึกออกไปนิสัยที่เคยฝึกจะเป็นนักบวนมันก็ติดตามไปก็เลยกลายเป็นคนหมั่นคนขยันคนมีสติรอบคอบ ละเว้นจากความชั่วทั้งสางที่ได้เรียนได้รู้มาใล้กลายเป็นคนดีขึ้นได้อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจผู้ใดที่มีบุญน้อยวาสนาน้อยอา้าวมันก็อยู่ไม่ได้หรอกบวชเข้ามาพอเป็นอุปนิสัยปะชัยแล้วก็ต้องซึกแต่ว่าก่อนซึกไปนั้นต้องให้มีความรู้ในธรรมวินัยนี่ติดตัวไป อย่างนี้มันก็จึงจะคุ้มค่าที่ตนเสียสละบ้านเรือนหรือเวลาการงานต่างๆมาบวชช่วงระยะเวลาสามเดือนสี่เดือนอย่างนี้นะก็ให้มันคุ้มค่าให้มันคุ้มทุนนะเรามีความรู้ในธรรมในวินยัยติดตัวไปแล้วเราก็ไม่ทำชั่วนี่ก็ตั้งอยู่ในคุณธรรมของ ผู้คล้องเรือนในกีฏิบัติทอนท้ายของหนังสือนมกกวาดเนี่ยนี่ห้พากันท่องไปเรื่อยๆไป <c oughs> หนังสือนมกกวาดเน่ท่องให้ได้นี่พูดจริงๆนะอันนี้นะให้ทำจริงๆนะ <c oughs> ไม่ทำไม่ได้นะการท่องการเรียนนี่นะต้องเรียนนะบวชเข้ามาแล้วนะ การภาวนาเจริญกรรมฐานนั่นกรอบมันก็เราก็แบ่งเวลานี้ไม่ใช่ว่าจะเรียนอยู่ตลอดเวลานี่ก็แบ่งรู้จักแบ่งเวลาเวลานี่เราจะท่องจะเรียนจะจําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้กันก็ตั้งใจเรียนตั้งใจท่องไปเสียวันนี้เห็นว่าการท่องการเรียนพอสมาสมควรแล้ววันนี้ในคราวนี้นะ่ะของงดไว้ก่อน นนก็วกเข้าสู่ภาวนาทำความเพียรทางจิตใจเจริญพระกรรมฐานดังที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละพระคโนมเนี่ยราคะตัณหามันย่อมมีแก่กล้าเพราะนั้นการเจริญอตุภกรรมฐานเนี่ยย่อมเหมาะกับจริตนิสัยทุกคนแหละที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานีเนย ีิเลสตัวนี้มันเป็นมาร น, นะเมื่อเวลาอยากบวชนะ่ะมันไม่ไม่โผล่หัวออกมาหรอกไม่ปรากฏเท่าไรมันพอบวชเข้ามาแล้วทำความเพียรจระิะมันเอาแล้ววันนี้มันลุกขึ้นเล่นงานแล้วมันจะดนบันดาลไม่ให้ทำความเพียรไปได้มันดันจิตให้พุ่งส่านเลื่อนลอยไปทางอื่นนู่นนี่ต้องระวังให้ดี อย่าให้ราคะตัณหานี่ยกำเลิบครอบงำจิตใจอืเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อพรหมจันทร์ทีเดียวราคะตัณหาเนี่ยความโกรธก็ยังไม่เท่าไหร่นะอความหลงนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ราคะตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงได้จัดขึ้นหน้าเลยทีเดียวในกิเลสสามตัวเนี่ยเป็นนายหน้าของเพื่อนทีเดียวะ เพราะว่าความโกรธความหลงมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมันมีความกำหนัดยิ่งกำหนัดในสิ่งใดแล้วไปแสวงหาสิ่งนั้นเมื่อมีใครมาขัดขวางเข้าไปก็โกรธไปนี่นะเนียมันก็ลำดับไปอย่างนั้นแหละกิเลสนี่นะมันโกรธไปอย่างนั้นมั น, ก, น, มนก็ทะเลาะอีวาทกับคนอื่นไป บางแห่งบางลายก็เลยสังหารกัน ย, ย่อยยับลงไปไอ้ความหลงเนี่ยหมายถึงว่ามันหลงมันไม่รู้นั่นแหละมันถึงได้รักมันถึงได้คลย้ยมันถึงได้โมโหโธโซถ้ามันรู้แจ้งว่าสิ่งที่ตนรักตนคล้นั้นมันไม่มีสวยมีงามอะไรอย่างที่เทศให้ฟังมาแล้วนั่นแหละถ้ารู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รักไม่คล้ยนะ มันไปอย่างนั้นเรื่องมา น, นะแต่เพราะมันไม่รู้นั่นแหละไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่พิจรารณาเพราะไม่เพ่งเพราะไม่ทำความเพียรทางใจมันจึงไม่รู้ถ้าเพียรพยายามเพ่งอยู่ภายในเพ่งดูร่างกายอย่างนี้มันเกิดอุกขาอิมิตนมาปรากฏร่างกายนเน่าเอ้อืม ร่างกายนี่แตกย่อยยับทำลายออกไปเป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปอย่างนี้นะเมื่อมันเป็นเห็นอุคาณิมิตอย่างนะั้นมันเกิดขึ้นมาอุคานิมิตมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็จะได้เบื่อหน่ายจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้แหละผู้ใจจดจ่ออยู่หวังว่าจะทำลายกิเลสอะไร ไม่ท้อไม่ถอยใจสดใจจ่อยอยู่นั่นมันก็ไม่เหลือวิสัยนี้นกิเลสอันไดที่มันมีกำลังเหนือกลัวเพื่อนอยู่ในจิตใจของตนตนก็จ้องทำลายมันย่อยให้มันแตกให้มันแตกมันดับให้มันระ ง, งับไปทีละน้อยละน้อยไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ ไม่หลงเป็นผู้ไม่หลงทางเดินของชีวิตจิตใจแต่ถ้าไม่พิจารณาร่างกายสังขารในเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันก็หลงรักหลงใครหลงเพิดเพลินมัวเมาไปเรื่อยเปื่ยไปอย่างนั้นนะไม่ชีวิตก็เลยไม่มีสาระประโยชน์อะไรคนหลงคนเมานี่ได้แต่กินแล้วก็นอน แล้วก็เที่ยวเตรหาบริโภคกามคุณพอได้เงินมาแล้วก็เที่ยวเตอดื่มเหล้าบ้างถูกกัญ้าบ้างเล่นการพนันต่างๆบ้างไปเที่ยวเข้าช่องต่างๆบ้างอะไรมือนี่ในที่ว่ามันหลงมันเมาทั้งนั้นเลยความไม่รู้ตัวนี่แหละไม่เห็นไม่รู้ว่าภัย เหล่านี้มันจะมาถึงตนในภายหลังตนจะได้ประสบกับความทุกข์อย่างมาหันนึกไม่ได้เลยเช่นนี้แหละคนเราเนะ่ะมันถึงได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะการกระทำขอ ง, ของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าผีสางทางแดงอะไรมาทำให้ตนวิบัติขัดข้องอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีให้เข้าใจ มันเกิดจากตัวเองประมาทไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สาคัญมากนะจำมาให้ดีความประมาทนี่หมายถึงว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้า น, นั่นเองเช่นอย่างว่าตนมีความรักความใคร่ผูกพันจิตใจอยู่นี่นะยังไม่อยากแกะละมันอยากแกเลี่ยงมันให้มันอ้วนพีขึ้นมา จึงไม่ต้องการพิจารณาอสุภะสุพังอะไรอย่างนี้นะเป็นความเป็นเป็นความประมาทอย่าง่ร้แรงเลยแบบนี้ดัะ น, นั้นถ้าเป็นนักปวดเนี่ยมันต้องเจริญอสุภะกรรมฐานได้ ม, มากๆเพื่อสกัดกั้นราคะตัณหาไม่ให้มันแก่กล้าขึ้นใน จ, ใจิตใจให้มันบรรเทา ว, วาบางลงไป นี่ให้พากันเห็นโทษนะกิเลสเหล่านี้นะอย่านิ่งนอนใจถ้าคนใดนิ่งนอนใจไม่ทำความเพียรทางใจแล้วกิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตใจแล้วก็เดือดร้อนหลมเดือดร้อนภาวนาอธิษฐานขอให้ครบสามเดือนแล้วเลี้วเธอขอให้ออกพรรษาเธออย่างนั้นแหละอ น, นี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเรานะบวกเข้ามาเลยนะ ต้องกิเลสอันใดมั น, ม, นมันแก่กล้าโกาเพื่อนเราก็พยายามลักกิเลสเหล่านั้นนะเช่นอย่างถ้าความโกรธมันแรงกล้ากโกเพื่อนอย่างนี้แล้วก็ฝันเจริญเมตตากรุณานีให้มั่งม้าเข้าไปอืมอย่างนี้แหละจนว่ามองเห็นศัตรูเป็นมิตรเป็นสหายกันได้พูนะในความรู้สึกอันนั้นนะ่ะ ในเมื่อเราจเจริญเมตตาแก่กล้ามากๆขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากความโกรธมาเป็นความรักความเอ็นดูสงสารนี่แม้ว่าเขานั้นเป็นคนชั่วเคยกระทบกระทั่งตนมาอย่างนี้ตนก็ให้อภัยเพราะเขายังไม่รู้ทำคําสอนของพระเจ้าเขายังหลงอยู่เขาก็เขาก็ย่อมประพฤติไปตามความหลงของเขาถ้าเขารู้ ตัวเองเมื่อใดตามคำสองพระทีเจ้าอย่างที่ตัวเองรู้อยู่เนี่ยเขาก็จะละกิเลสเหล่านี้ได้เวลานี่ยเขายังรู้ไม่ได้เราควรให้อภัยอืผู้ใดสอนตนได้อย่างนี้มันก็ให้อภัยแก่ผู้ที่มากระทบกระทั่งให้ให้อโหสิกรรมต่อกันและกันไปไม่สอบโต้ไม่ผูกใจเจ็บห้อยภายในอย่างนี้นะ นี่แหละกิเลสมันก็เบาไปเรื่อยๆไปอะถ้าเรารู้จักวิธีกาจัดมันนะแต่ว่าทุกคนต้องพิจารณาเห็นใจตัวเองอย่าไปคอยใจให้ผู้อื่นส่องดูใจเขาตัวผู้อื่นท่านก็มีภาระของเพื่อนต่างคนต่างก็มีภาระมีกิจธุระเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพึ่งตัวเองต้องสังเกตเพ่งดูจิตตัวเอง ว่าขณะนี้จิตของโตนเป็นยังไงอ่ะอย่างงี้นะมันมีความรักแขวงอยู่หรือไม่มันมีความชังครอบงามอยู่หรือไม่มีความหลงความเมาครอบงามอยู่หรือให้เพ่งดูสิก็ต้องรู้ได้แหละเพราะจิตคือสภาพแห่งความรู้อันเดียวเท่านี้นะไม่ใช่มีหลายอันและไม่ใช่มีกว้างใหญ่ไพศาลอะไรจิตนี่ ไม่มีรูปร่างอะไรแล้วมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเท่านี้ดังนั้นเมื่อเรามาเพ่งจิตนี่ฮมันมีกำลังกล้าขึ้นอย่างที่เคยแนะนำมาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อมันมีกำลังแก่กล้าในทางบุญทางกุศลมองว่าเข้าแล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวต่อ ก, กิเลสเหล่านั้นแลวันนี้นะมันก็เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นโดยปัญญาอย่างว่าปัญญาก็เกิดจากบุญกุศลอย่างที่ว่ามา เคยพูดมาแล้วนั่นเนอ่ดังนั้นน่ะทุกคนก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรมีสติสมบัติญะรู้ตัวอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนขบชันอะไรหรือกินดื่มพูดจาปลาใสอะไรกับใครอยู่ที่ไหนก็ให้รู้ตัวอยู่ในที่นั้น รู้ตัวแล้วก็ยังไม่แล้วต้องวควบคุมจิตไปพร้อมเลยไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบมามันก็เข้าสู่ครองเก่านั่นอีกแล้วมันก็โกรธก็ฉุนเฉียวไปอย่างนั้นอีกแล้วก็ไม่เป็นมงคลอะไรเลยเป็นแต่โทษนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะนั้นให้พากันเข้าใจยาาำอืม สำรวมตนให้ดีการไปบินทมบาราธน า, าอะไรก็ดีอย่าไปมองเบิกไปทางโน้นทางนี้ให้สตินั้นเข้าไปประคองความรู้สึกอันนันไว้อย่างนี้แหละเช่นนั้นนหะมันจึงจะสามารถกระทำคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปได้เมื่อเรารักษาจิตใได้ก็รักษา บุญกุศลความดีที่เราทํามาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนั้นไว้ได้ไม่สูญไม่หายถ้าเราทําใจได้ดังกล่าวมาแล้วนั้นนะอถ้าทําใจไม่ได้เกิดความรักความใคร่อย่างรุนแรงเกิดโมโหโทโซอย่างรง้ายแรงใครเตือนก็ไม่ฟังแล้วก็แน่นอนแหละผู้นั้นก็นย่อมได้รับผลแห่งกิเลสอันชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นได้รับทุกทุนทรมาน ไปในโลกนี้แ ล, ละโลกนี้เราก็มีทุกขติเป็นที่ไปดังที่ให้พูดให้ฟังมาแล้วนั่นแหละพูดถึงห้องน้ำห้องซ้วมก็ให้ช่วยการทำความสะอาดอย่าให้สกรปกรกรุงรังด้วยไยแมลงมุม ต, ต่างๆหรือว่าในห้องน้ำนั่นน่ะ แต่เรามองดูเห็นว่ามันเปืเป้อดนด้วยสิ่งเปื้อนเปืเป้อนกระเด็นเข้ามาถูกเป็นรอยด่างรอยดาวอยู่อย่างนี้อา้าวก็หาผ้าชุบน้ําเสร็จแล้วก็ไปถูให้มันสะอาดให้อสิ่งที่มัวหมองเหล่านั้นออกไปนั้นมีอยู่ในห้องน้ำเยลยฉะนั้นใพากันสังเกตดูห้องน้าบางห้องมันทุกระปกุก ผาผนังโมนั่นน่แล้วก็ไอแปลงสำหรับี่เอาไว้ห้องน้ำประจำห้องแต่ละอันหมนี้นะยาไปถือเอาไปทางอื่นนี่เพราะว่าเพื่อนใช้เอาไว้ใช้อยู่ในห้องน้ำสำหรับชำระรูหัวท่วมที่เมื่อมันตกกระบ๋แล้วก็ใช้แปลงนั้นขัดถูให้สะอาด นี่ความหมายเนะ่ะที่เพื่อนไอทำแปลงไว้ในห้องน้าแต่ละห้องละอันละอันผนะู้ไม่เข้าใจนึกว่าเอาไว้เกะกะทำไมจับไปโยนทิ้งเสียงหนึ่งเรียกว่าไม่มีความฉลาดสักนิดเดียวคนฉลาดเนะี่ยเขาต้องคิดสิเมื่อเห็นอะไรแล้วางนี้เอ๊ะเรื่องนี้เป็นยังไงโนอันนี้เป็นยังไงโน มีความหมายอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรอย่างนี้นะต้องคิดเมื่อคิดมันก็รู้สิวะ น, นี้นั่นเนี่ยเมื่อยังคิดยังไม่รู้ก็ถามท่านผู้รู้วันนี้นะท่านจะได้บอกให้เป็นเพียงงั้นเพราะฉะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วนี่นะบวชเข้ามาสำหรับมาใช้ความคิดนะไม่ใช่บวชเข้ามาอยู่เฉย การเรียนการท่องการจำมันก็หัดใส้หัวคิดท้งนั้นหมู่นั้นนะ่ะให้เข้าใจนี่แหละอย่าพากันเบื่อหน่ายในการเรียนหน้าตั้งใจเรียนจริงๆเราจะได้มีความรู้ในธรรมินัยติดตัวไปถ้าอยู่ไม่ได้ในพุทธศาสนานี่ในวัดวระอารามนี่ซึกออกไปทำคำสอนพระเจ้าก็จะติดตามตนไป <c oughs> จะช่วยตักเตือนตนไม่ให้ทําความชั่วให้ทําแต่คนดีนี่มันมีผลดีอย่างนี้นะการเรียนทำเรียนวิในถ้าผู้อยู่ได้ในพพอาจารย์ น, นี่มันก็จะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทําผิดพูด ผ, ผิดจากทาจากวิในพอเรารู้แล้วอ๋ออย่างนี้มันผิดทำนะอย่างนี้ผิดวิในนะนี่นะอมันรู้นี่มันก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้ มันก็หยุดที่ไม่ทำไม่พูดแต่ถ้าเราไม่รู้มาเราไม่ได้ท่องไม่ได้จําอะไรเลยอย่างนี้นะพราะพอเป็นไปเจอเรื่องนั้นเขาตีอควรจะทำลงไป น, นี่แต่มันผิดวินัยตนก็ไม่รู้เลยไปลงทำลงไปแล้วก็เลยเป็นอาบัติอาจีเป็นโทษไปเพราะควไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นให้พากันศึกษายให้เข้าใจอย่าประมาท เป็นโชคอันลาบอันดีแล้วนะเราได้บวชเข้ามาไม่ได้กลักกรรมการงานไม่ได้หาเงินหน้าทองอะไรมันเหมาะกับที่เราจะท่องท่องต้องจำเอาคำสอนพระพุทธเจ้าให้ได้เดียวว่าเราพยายามเรียนให้เต็มความสามารถทีเดีย ว, วเมื่อมันเต็มความสามารถแล้ววนันนี้ได้เท่าไรก็เอาเท่านั้น ให้ให้ตั้งปณิฐานไว้ในใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าออืเรียนพอขอไปทีไม่เรียนเพื่อนก็ว่าเอาเอผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าผู้นั้นไม่ไม่ไม่เชื่อว่าเป็นชาวพุทธนะไม่เชื่อว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างจริงจังถ้าผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ต้องการอยากรู้ที่ อยากรู้คำสั่งสองพุะติเจ้าอยากรู้ประวัติความเป็นมาของพุะติเจ้าอยากรู้ความเป็นมาแห่งพระสง์อย่างนี้นะสนใจสิสนใจกดดูตำราเข้าไปแล้ววันนี้ก็ไปนั่งเรียนให้ครูอาจารย์ขี้แจงแนะนำเข้าไปอีกเราก็จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งในสิกขาบทแต่ละข้อละข้อ หรือธรรมะแต่ละข้อนี่นะนี่ละให้พากันทุกคนนี่ให้ทำตัวเป็นนักปราดอัเป็นนักบวชนี่นะให้ทาตัวเป็นนักปราดนักปราดนี่แปลว่าผู้รอบรู้ผู้ฉล า, าดในเหตุในผลผู้รู้จักดีรู้จักชั่ว <c oughs> ก็เช่นนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้ที่ บวชเข้ามาไม่เสียเปล่ามีความรู้ในธรรมวินัยแล้วก็ทำรวมตนด้วยดีไม่ร่วงละเมิดธรรมวินยัยบุญกุศลก็ย่อมเจริญขึ้นแก่ผู้นั้นเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นจิตใจก็เบิกบานผ่องใสนี่มันมีลักษณะการอย่างนี้อันบุญกุศลเกิดขึ้นในใจนะให้พากันเข้าใจ ดังนั้นฮะจะอาศัยตั้งแต่อุปชาอาจารย์แนะนำสั่งสอนโดยส่วนเดียวไม่ไหวไม่ได้ต่างคนต่างก็มีภาระมากไม่มีเวลาที่จะได้มานั่งสั่งสอนอย่างละเอียดละอออันนี้เพียงแต่แนเนะแนวทางหรือตักเตือนให้เห็น คุณเห็นประโยชน์แห่งการศึกษาเราเรียนถ้าเพื่อผู้ใดพิจารณาเห็นคุณแห่งเห็นประโยชน์แห่งการเรียนทำเรียนวินยัยจำทำจำวินัยแล้วผู้นั้นก็มันขยันพอใจอยากรู้อยากจะจำได้แห่งคําสอนของพระเจ้าเมื่อมันพอใจขึ้นมานะมันก็ขยันแะไรไปเลนะขยันท่องขยันจำขยันเขียนอื เมื่อเพื่อนออกปัญหาให้ตอบเราจะไปอั้อึ้งหนึ่งสองอยู่เฉยๆต้องคิดเมื่อใช้วิจารณญาณพิจารณาปัญหาข้อนี้คงจะหมายความอย่างนี้คงจะแนะนาให้ผู้ปฏิบัตินั้นให้จิตใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันรู้ความหมายแล้วมันก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างนี้นะอนั่นแหละมันก็ได้ ผลทำใจให้สงบระงับทั้งได้ความรู้ในธรรมวินัยอีกเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบา ร, รมีของตนไปนี่เป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายนี่ก็ขอเตือนว่าถึงอย่างไรก็จะทะเลาะวิวาทกันถึงทุบ ก, กันตีกันนะ่ในขณะที่หลวงปู่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ได้หรืออยู่ด้วยก็ตาม เพราะกติกามีอยู่แล้วนะพูดในฟังนะเพราะว่าการนักบวชเนี่ยมาทุบ ก, กันตีกันนี่มันไม่ใช่วิสัยนักบวชแล้วมันเป็นวิสัยของครือหัาผู้ครองเรือนจึงไม่สมควรเป็นนักบวชต่อไปนี่ดังนั้นถึงมีกติกามีกฎไว้ว่าอย่าทะเลาะกันนี่ได้รับคำตักเตือนจากอุชาอาจารย์แล้วจำเอาไว้ วันนี้ถ้าใครขืนทะเลาะกันได้รับคาตักเตือนอย่างนี้ยังไปขืนทะเลาะกันอยู่อุปชาไม่ให้อยู่ด้วยเลยให้ซึกถ้าไม่สึกก็หนีหนีจากสำนักนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่อันนี้เป็นกฎกติกาการทำบุญกุศลนี่มันต้องเกี่ยวกับความเรื่มสจความยินดี มันยังได้อา น, นิสงฆ์มากถ้าไม่ยินดีไม่พอใจให้โดยจำใจอย่างนี้ก็มีผลน้อยก็นั้นสังเกตดูศรัทธาญาติโยมคราวนี้ก็รู้สึกว่าเต็มใจมีความพอใจในการสงน้ำพระหรือที่เรียกว่าเถราพิเศกอันนี้แต่โบราณนับถือกันว่า เป็นการลดน้ำพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเลยถือกันมาอย่างนั้นบานี้เมื่อจะมาสง่งแต่เจ้าอาวาสผู้เดียวมันก็ไม่เหมาะสมะแล้วทุกวันนีนะ่เหตุนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมัยมันน้ก็ต้องสงให้ผู้น้อยลงไปอีกเพื่อเป็นกำลังใจของผู้น้อย เราจะมารวมส่งเสริมแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียวใคร่ะเมื่อผู้ใหญ่ตายแล้วใครจะมารักษาวัดวาสานานนี้ให้คิดให้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นอ้การที่ญาติโยมได้ตกลงส่งน้ำพระตามลำดับกันไปอย่างนี้นี่ไอ้พระนั่นเรียก ว, ว่าเป็นผู้งเรีเยมเกียมตัว เห็นว่าตัวมันเป็นผู้น้อยไม่สมควรที่จะให้ญาติโยมมารดน้ำสงน้ำก็เป็นความคิดของพระเทยังไม่โยยังไม่เข้าใจในเหตุผลเมื่อที่แจงเหตุผลให้ฟังแล้วก็เข้าใจได้เหตุผลก็มีอยู่ว่าเราทำทั้งนี้ทำเพื่อพระศาสนา ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเป็นอย่างนั้นทำเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานไปพระสง์เมื่อได้รับคำคารวะยกย่องจากญาติโยมโดยได้สงน้ำสงน้องอะไรท่านได้ถวายผ้าไกลเช่นนี้แล้วก็จะได้มีความสำนุกสานึกรู้สึกตัว ว่าเราน่าบวชเข้ามาแล้วญาติโยมเขาเห็นว่าเรานั้นตั้งใจดีสำรวมในศิลดีมีข้อวัดปฏิบัติดีแบบ น, นี้เราดีพอแล้วหรือยังก็จะได้สำรวจดูเมื่อเห็นว่าเราดียังไม่พอก็จะได้ฝึกตนบำเพ็ญเพียรภาวนาให้เข้มแข็งเข้าไปโดยความไม่ประมาท เนี่ยผลดีที่จะเกิดแก่ภิกษุผู้ที่ได้สํานึกออผู้ที่ไม่ได้สํานึกก็ไม่ได้สํานึกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลดีเท่าไรไ่หละอมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระเราก็ต้องคิดก็คิดอย่างนี้แหละไม่ว่าแต่ลถน้ําสงน้ํานี่เลยแม้แต่ญาติจอมเขาใส่บาตรชังหันอะไรมูนี้นะ ถาวายเจตุปัจจัยต่างๆวันี้พระเรามันต้องคิดเนี่ยวอาเขาเริ่มใสนับถือนะอพระโยมก็อาศัยพระพระอกออาศัยโยมโยมก็มองเห็นว่าพระมีศีลมีธรรมเป็นเนื้อนาบุญเมื่อเด็ดทาบุญถาวายทานลงไปแล้วก็คงได้บุญถ้าเราจะไปให้บุคคลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมยังเกลือนกลั้วกรรมคุณอยู่ เช่นนี้ก็คงได้บุญน้อยไม่มากการที่เรานับถือพระก็เนื่องจากว่าพระนั้นท่านละกรรมคุณทางกายทางวาจาออกมาบวชไม่ไปแสดงมายาสาไถยกับเพศกงกันข้ามไม่เกี่ยวข้องมีแต่เกี่ยวข้องในการงานอย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องทางชู้สาว ญาติโยมเห็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่าพระนั้นมีคุณธรรมสูงก็จึงเลื่อมใสนับถือเออย่างนี้แหละเหตุผลนะนั่นแหล <c oughs> ะเมื่อพระทำดีทําให้ญาติโยมเลื่อมใสนับถืออย่างนั้นญาติโยมก็พลอยได้บุญได้ทําบุญกุศลแล้วก็พลอยได้บุญได้กุศลไปแต่ถ้าหากพระเห็นพระไม่ประพฤติไม่ดี ไม่นำมาซึ่งความเลื่อมใสแล้วญาติโยมก็ท้อใจคิดจะแก่ทาบุญก็คงจะควักไม่ออกเอก็ไม่ได้บุญกับพระนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ว่ า, นะวาโยมก็อาศัยพระพระก็อาศัยโยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละพระเมื่อรู้สึกตัวว่าได้รับความยกย่องจากแาติโยมแล้วก็ตื่นตัวไม่เกียจคร้านขยันทําความเพียร บรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับเช่นนี้นะก็จะสามารถดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้ตลอดไปในในเรื่องหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธเจ้านะมีพระองค์หนึ่งไปอยู่ในป่าท่านสำรวมด้วยดีทําความเพียรภาวนาทําใจสงบรั ง, งับ ลุคเทวดาภุมเทวดาที่อาศัยอยู่ตามแถวนั้น่ะก็มีความเลื่อมใสนับถือท่านพอท่านบำเพ็ญภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาได้รับส่วนบุญกุศลแล้วก็มีความถูกความเย็นใจก็เคารพเคารพนับถือท่านตันนี้อยู่มาท่านจะคิดจะจากไปในที่อื่น เทวดานะั้นเสียใจอ้อนวอนเทวดากับพระสมัยก่อนนะั้นใกล้กันนะเพราะว่าพระทรงคุณธรรมอันสูงเทวดาจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏอ้อนวอนขอร้องให้พระคุณเจ้าได้อยู่ไปก่อนเพราะพระคุณเจ้าอยู่ในที่นี้นะพวกข้าพระเจ้ามีความสุขความสบายมากได้รับส่วนบุญกุศลจากพระคุณเจ้า ก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพระได้รับความอ้อนว อ, อนจากเทวดาอย่างนั้นก็นึกสงสารเทวดาเลยกลับไปอยู่ที่เดิมอีก hmm. เมื่อท่านบาเพ็ญไปท่านนึกถึงงว่าเอ๊ะเรานี่มีคุณธรรมอะไรเทวดาจึงมาเคารพนับถือกรวจ ด, ดูตัวเองแล้วก็เห็นว่ายังบกพ้่อง อยู่ยังไม่สิ้นอาสวัคิเลสทั้งกดเล่งความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตะพนนี่เป็นอย่างนี้แหละในการการที่พระสงองค์ข้าเจ้านี่ถ้าทำคุณงามความดีเคารพต่อทำต่อวินัยจริงๆไม่ล่วงละเมิดทำมาวินัยทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันดีงาม อย่างนี้ไม่ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์แต่มนุษย์เท่านั้นอย่างเดียวทั้งเทวดาอินพรมก็นิยมนับถือเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหะพวกเราทั้งพระสงฆ์สามเณรทั้งทายกทายิกาก็ขอให้เข้าใจว่าเราจะมีความสุขความเจริญได้ก็เพราะอาศัยเราสั่งสมบุญนี่แหละ เราจะไม่มีอันอื่นสิ่งอื่นใดจะมาอํานวยความสุขความสุขความเจริญให้เลยไม่มีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้แจ้งแทงตลอดถ้าหากว่ามีสิ่งอื่นที่จะมาอํานวยความสุขความสบายให้พระองค์เจ้าสอนแล้วอสอนแล้วถอนว่าให้ไปไหวเทวดาไหวอินพรมนะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะเขาจะมาช่วยเหลือ ให้พ้นทุกค์พ้นภัยให้มีความสุขความเจริญพระองค์ก็คงจะแนะนําสั่งสอนแต่พระองค์ไม่ได้สั่งสอนไว้เลยในตาราไม่มีที่บุคคลนับถือเทวดาอินพรมผีสางอะไรอยู่นี่นับถือตามตําราพราหมณ์ต่างหากนะเพื่อเข้าใจว่าตตําราพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ว่าเป็นศาสนาพุทธไปอย่างนี้นะคนเข้าใจผิดอะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจเสีย เรื่องถือเลิกดียามดีเคราะห์ดีเคราะห์ ล, ลายมือสันวันดีวันลายอะไรเหล่านี้นะมันล้วนแต่เรื่องศาสนาพราหมณ์อการบวงสรวงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบนบานบวงสรวงเทวดาอารักษ์หรือว่าผุดผีปีฉาดอะไรก็ตามมู่นี้มันศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นเลยให้เข้าใจกันบรนิษัทศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์ ถ้าศาสนาพรมณ์นะ่สอนคนให้พ้นทุกข์ไปได้พระพุทธเจ้าไม่เมาเกิดเลยคนก็จะนับถือในศาสนาพรมหมณ์รือมาจนถึงในปัจจุบันนี้แหลอจะพ้นทุกข์ได้ยังไงคิดดูที่ศาสนาพรมณ์เขาสร้างโรงบูชายันขึ้นมาใหญ่โตโมโหรารพวกปราชาก็มีเศรษฐีก็มีพวกที่มีเงินมากๆมันสร้างโรงบูชายันได้ใหญ่โต ทันถึงวันเวลาบูธายันเราก็จับแพะจับแกะมาทีละห้าร้อยตัวนแล้วก็เอาไม้ตะเคียนไม้แห้งไม้ตะเคียนนี่มาก่อไฟขึ้นดังไฟลุกเป็นโพรงจนว่าแดงโลกแล้ววันนี้ก็ไอ้ฤาษีที่เป็นตัวการเป็นเจ้าสำหรับมาเป็นเพชรสขาตใท้เขา กระสวดอ่อน อ, อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็เชือดคอแพะนั้นโยนเข้ากองไฟไอ้ที่ทำเรั้งนี้มีความหมายอะไรอ่ะมีความหมายว่าเขาเข้าใจว่าเทวดาอินพรหมน่ะจะชอบกลิ่นเนื้อสัตว์เหล่านี้จยงได้เอาเผาไฟแล้วให้กลิ่นเนื้ออันนี้พุ่งขึ้นไปสู่ท้องฝ้าอากาศให้เทวดาอินพรหมน่ะ ได้สูดได้ดมกลิ่นเนื้อสัตว์เหล่านี้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือผูว้วงวงบูชาให้เจริญรุ่งเรืองสืบอต่อไปนี่ความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้นะมาฆ่าสัตว์จำนวนมากมายเลยว่าทำบาปทำกรรมอย่างนี้มันจะเป็นพ้นทุกข์ไปได้ยังไงอ่ะแต่ความจริงนะนะเทวดาเขาก็ไม่ยินดีหรอก พวกพราม์พวกมิจฉาทิสติเหล่านี้ะเข้าใจผิดต่างหาผู้จะได้เป็นเทวดานะก็ต้องมีศีลหา้าบริสุทธิ์ไปแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วมีเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยผู้เป็นพรหมยิ่งประกอบไปได้วยพรหมอีหารสี่บำเพ็ญพรหมอีหารสี่จนได้บรรลุฌานสมาบัตเช่นนี้นะอะแล้วเมื่อหมดอายุสังขารแล้วจึงได้เกิดเป็นพรหม เช่นนี้นพรมน่าจะยินดีในแก่มนุษย์ที่ฆ่าสัตว์ชีวิตเช่นเบื้องสวงตนยังไงเราเพื่อนว่ายินดีแต่มนุษย์เข้าใจผิดต่างหากมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันยพรมนั่นนะไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายมีปีติเป็นอาหารมีอายุยืนอยู่ทั้งเป็นกลับเป็นกันด้วยอนิสงแห่งทานสมาบัตินั้นมนุษย์เข้าใจผิด คิดว่าท่านจะบริโภคเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรไอ้พวก <c oughs> พรามในสมัยครัง้งพระเจ้านั่นแม้นัทที่อันนั้นก็ยังติดมาจนถึงเมืองไทยยังระบาดมาในเมืองไทยสมัยก่อนยิ่งมากมายมีหอผีอยู่ตามดอนนาทุกอวไปเลยในเมื่อคณะพระอาจารย์สาวพระอาจารย์มั่นออกปฏิบัติเจริญพระกรรมฐาน แล้วท่านก็ไม่กลัวผีสางนางไม้อะไรท่านจึงที่เอาไปพักอยู่ตามป่าละโมะที่เป็นหอผีเขาอยู่นั่นบางชาวบ้านบางแห่งเขาก็ถืออาวุธยุทธภัณฑ์ไปจะไปขับไปไล่ไปฆ่าอะไรเมื่อท่านชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้ว <c oughs> เขาก็จึงรู้ตัวเลยเขาก็ยอมวางอาวุธทั้งๆยอมฟังโอวาทของท่านท่านก็แนะนําสั่งสอนให้ ก็พากันทิ้งผีทิ้งสางไปสารเจ้าเหล่านั้นก็ถูกไฟเผาย่อยยับดอนนาโอนป่าที่อยู่ของผีหนึ่งก็ลายกลายเป็นสวนกลายเป็นนาไปเลยนี่เป็นอย่างนั้นแต่บางพวกก็ดื้อรั้นไม่ยอมอย่างเช่นบ้านหม้อของเราเนี่ยพระอาจารย์เต๋าพระอาจารย์มั่นก็มาพักอยู่ที่ป่าช้านั้นอย่างนี้เออแล้ว พวกเราชาวบันหมอกก็ยังละผีไม่ได้ก็ยังถือผีกันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละก็อย่างนี้นะแล้วมันจะทนทุกข์ไปได้ยังไงแบบนี้นะลองคิดดูเพราะว่าลัทธิธรรมเนียมอย่างนั้นมันทำบาปฆ่าสัตว์รรตัดชีวิตนี้แล้วก็มันเห็นผิดเป็นชอบไปนี่เห็นผิดเป็นชอบสิ เทวดาอินพรหมท่านไม่นิยมหรกคนทำบาป ท, ทำกรรมประหัตประหารชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มีเทวดาอินพรหมไม่นิยมแล้วดังนั้นพวกเราให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งอย่าไปเอาศาสนาพราหมณ์มาคลุกเข้ากับพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่สอนให้คนเราเชื่อต่อการกระทำของตัวเองอันนี้มันเห็นได้ชัดเลยนี่ ไอ้พรามันก็ถือสอนให้ถือเทวดาอินพรหมไม่ทราบเทวดาอยู่ที่ไหนอินพรมอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นเลยมันไปหวังเอาตั้งแต่ให้เทวดาอินพรมมาช่วยอย่างเดียวตนเองไม่ช่วยตัวเองไม่ละบาปไม่ทําบุญกุศลให้เต็มที่นั่นแหละความเข้าใจผิดส่วนพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทํากุศลกุงามความดีให้เต็มความสามารถ แล้วให้ละเว้นจากกรรมอันชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นเมสุราเมรัยเป็นที่สุดก็เป็นที่รู้รู้กันดีอยู่แล้วอย่างนี้บุคคลผู้ที่ไม่ละอายต่อความชั่วหล่นะั้นไม่กลัวต่อความชั่วหล่นะั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้ถึงรู้อยู่มันก็ไม่ไม่สำรวมตามมันก็ยังร่วงละเมิดอยู่นั่นแหละพวกควาเข้าใจผิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่น เข้าใจว่าการกระทำอย่างชั่วดังกล่าวมานี่มันจะไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ความเข้าใจของคนบางคนนะมันถึงได้ทําชั่วอยู่นั้นเอ้าบุญก็ทํามานี้เข้าวัดก็เข้าฟังเทศก็ฟังฟังไปอย่างนั้นแหละมีศีลอยู่แต่ในวัดพอออกจากวัดไปแล้วก็ศีลก็เอาฝากไว้กับพระอย่างนี้เป็นส่วนมากเลยนะอันคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาเนี้เพี้นเสียแต่พวกใร้เท่นั่นแหละ ได้รับคำสอนของพระเจ้าในทางที่ถูกจากพระสงค์ที่ท่านปฏิบัติตองตามธรรมตามวิมนัยแล้วท่านหาอุบายมาที่แจงเหตุผลให้ฟังเมื่อได้รู้เหตุผลว่าการล่วงละเมิดศิกขาบทที่สมทามานะั้นมันเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจชัดแล้วมันถึงค่อยละได้บว่านีนะ้จึงสารวมในศีลได้ดี ก็ถ้าหาก็ไม่รู้แจ้งกันด้วยใจก่อนแล้วมันละไม่ได้คนเรานะ่ะเสียงแต่ยวฟังอย่างนี้ก็ท่านเทศให้ฟังท่านสแสดงให้ฟังไปอย่างนี้แล้วใครจะรับเอาไปปฏิบัติตามก็ได้กับเป็นบุญของมวกนั้นใครไม่รับเอาก็ไม่ท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ไม่บังคับให้ละบาปให้บําเพ็ญบุญอะไรเพียงแต่ชี้แจงเหตุผลอย่างการละบาปบปําเพ็ญบุญให้ฟังเท่านั้นเองนะ นี่แต่เพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจสรุปใจความแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อต่อการกระทําความดีทางกายทางวาจาทางใจนี่ว่าจากอํานวยผลให้เราเป็นผลได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าทรงสั่งสอนให้ละ ก, กรรมชั่วมีปานาธิบัติเป็นต้นดังกล่าวมานั้นก็ทรงเอ็นดูกรุณาสัตว์โลกทั้งหลายไม่อยากให้ สัตว์โลกให้ทำบาปกรรมชั่วไล่ใส่ตัวเองแล้วตายแล้วไปตกนรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานพระองค์สงสารเพราะพระองค์รู้ด้วยพระปรีชาญาณอย่างยิ่งแล้วว่านารกนั้นมีจริงนะสัตว์ทั้งหลายทำกรรมมันชั่วทำกรรมหนักมากทำบาปมากอย่างนี้นะตายแล้วก็ไปตกนรกนะไม่ไปอื่นนะมันกรรมบาปมันหนักต้องไปนรกก่อนอย่างนี้นะ เมื่อเสวยวิบากรรมอยู่ในโลกนานนานไปบาปกรรมนั้นมันเบาขึ้นแล้วพ้นจากนรกแล้วก็มาเป็นเปรตอีกอย่างนี้นะเอามาเสวยผลของบาปกรรมเป็นเปรตอยู่นั้นนานไปนานไปบาปกรรมมันเบาขึ้นก็พ้นจากเปรตมาเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ท่านท่านก็ไม่อธิบายละเอียดไวปก็เรียกว่าอยู่ยในจําพวกทุกตินั่นนะเพื สว่วยวิบากรรมอสุรกายนั่นสวยวิบากรรมไปนานเข้ามันเบาบางไปแล้วก็พ้นจากอสุรกายเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเที่ยวเกิดเที่ยวตายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นั้นก็หลายชาติเมื่อบาปกรรมนั้นมันเบาบางลงไปแล้วแต่มันยังไม่หมดแท้ๆพอตายจากสัตว์เดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นคน แต่แล้วบาปกรรมมันก็ตามไปตกแต่งให้ด้วยอย่างนี้นะเพราะ่าผู้นั้นทําทั้งบุญทั้งบาปเกิดเป็นคนมาบุญมันนําให้เกิดเป็นคนบาปมันตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ทุกคนรภาพเช่นเป็นขี้ทูดกุดพั้งเป็นมะเรง็งเป็นง่อยเปียเสียขาเอ่าอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบมาแต่กําเนิด เช่น ข, า, นดขาด้วนขาด้วนหรือว่าแขนด้วนหรือว่าตาบอดหรือหูหนวกอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่กำเนิดหมู่นี้นะนี่แหละบุญนำมาให้เกิดเป็นคนเท่า น, นั้นแหละแต่บาปมาตกแต่งอวัยวะต่างๆเหล่านี้ให้ทุกคนละภาพให้พิบบัรลงไปจนไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้มันก็ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพี่น้องเป็นอยู่ไปสามตายอ่พอ หมดกรรมหมดเวรอันนั้นแล้วก็ตาย้ายหากว่าบุญกุศลได้ทํามาแต่ก่อนนะ่ะหากมีอยู่อย่างนี้เอบุญกุศลนั่นก็จะนํามาพาให้มาเกิดเป็นคนมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ดีเพราะหมดกรรมหมดเวรแล้วไอ้อย่างเราท่านทั้งหลายนี่นะก็เราะระลึกธาตุผลหลังไม่ได้นี่เรามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์จิตใจก็ดีอย่างนี้เนละ บางทีเราอาจจะพ้นจากบาปกรรมเวรที่ทํามาแต่ก่อนนั้นหมดทุกประการแล้วจึงได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ให้พากันสํานึกให้ได้ดังนั้นการทําชั่ว菩萨ทศดาจึงได้ทรงสอนให้ละหากผู้ต้องการความสุขความเจริญแก่ตนแล้วอย่าไปทํากรรมอันชั่วใส่ตัวเองไอ้เช่นนี้แล้วก็จะมีความสุขความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้